นเนไไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันลร้เข้าใจคำว่ดสองวัไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะนานก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปนอนนี้ You. Yeah. คำว่าสองเราไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะมาวก็ไม่กลัวมือเธอที่รักคำในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ ใช้คำว่าสองเราไ ม, ไม่ว่าจะาร้องหรือว่าจะ